ถูกควบคุมมาเรื่อยๆไม่เคยได้เป็นอิสระภายในตัวเองเลยถึงยากที่เราจะทราบได้ว่าความสุขที่นอกเหนือนไปจากอิทิที่เป็นอยู่เวลานี้มันคือความสุขอะไรมั่นเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนํำมาตั้งแต่เด็กไม่แม้ทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเรงมันเพินความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยังไงไม่เคยเห็น